กรรมอันเป็นเหตุนำให้เกิดคือชนะ ก, ะกรรมเป็นกรรมสุดท้ายก่อนชีวิตจะขาดจากภพภูมินี้กรรมสุดท้ายหรือเรื่องสุดท้ายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู่คือชนะ ก, ะกรรมอันนำไปเกิดนึกถึงความดีที่เป็นบุญเป็นกุศลในขณะก่อนจะดับจิตจิตก็จะไปสู่สุคตินำกายไปสสุคติด้วยนึกถึงความไม่ดีที่เป็นบาปเป็นอกุศล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 ไม่ได้ไปเสวยผลของกรรมดีใดๆที่ได้กระทำไว้จนกว่าใจจะปล่อยวางละความยึดถือความหงแหนสมบัตินั้นๆด้วยผู้ใหญ่ผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาแต่ไหนแต่ไรมาท่านเชื่อในเรื่องอำนาจความยึดมั่นของจิตท่านยึงสอนลูกหลานไว้ว่าก่อนจะหลับไปให้ภาวนาพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้า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 ไม่หลงไปพบภูมิอื่นหลังละโลกนี้ไปแล้วแต่ให้กลับมาสู่พบภู ม, มนุษย์โดยเร็วได้พบพระพุทธศาสนาจึงเป็นความถูกต้องพึงทำอย่างยิ่ง